มีโครงกระดูกยัดถนานก้อนเนื้อกำลังเคลื่อนไหวอยู่โดยมีแผงผิวหนังปกคลุมข้างนอกบังตาไว้จากสิ่งอุด จ, จาดหน้าคลื่นเหวียนภายในฉันคุ้นภาวะเดินจงกลมรู้อสุภะเหมือนเคยทำมาก่อนเมื่อไม่นานมานี้เพียงแต่ลืมไปชั่วคราวพอจิตเข้าไปคลุกคล้าเป็นอันเดียวกับความคุ้นนั้น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 ถ้าไม่หมวกมุ่นมากก็คงไม่ถึงกับขวางทางนาวคิดทำนองนี้อาจเป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบปุตชนมักเข้าข้างความเชื่อของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์พิสูจน์แต่ถ้ามองให้ชัดว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ต่างๆของมักแท้ๆไว้อย่างไรก็คงไม่ต้องเถียงกันหากขาดดาริออกจากการเป็นระยะเวลานา น, านเพียงพออย่างไรความตรึกนึกทางกาก็ต้องหวนกลับมาวันยางค่า